อธิบายมาแล้วนันวันพระก่อนพูดถังงงดนนถ้งเรื่องความสุขได้มาจากความทุกข์วันนี้จะอธิบายถั้งเรื่องปัญญาอยู่เหนือกวามโง่คือความฉลาดอยู่เหนือความโง่ หรืออีกน่หนึ่งจะพูดว่าปัญญาได้ไ้ยจากความโง่ก็ใช้ก็ถูกขึ้นกัด น, นี่หัวขอ้อสั้งหลับที่จะนำไปคิดพิจารณาต่อไปจดจำายอะๆไว้ก่อน <c oughs> คนเราจะฉลาดมา ก, ก่อนไม่ได้สักคนเดียวถึงแม้จะมีแววอยู่ภายใน บางคนนั่นต้องมีแววอยู่ภายในคือว่าจะพูดจาพาธีแลวจะทำอะไรทุกอย่างบางคนน่นมันมีบุญวาสนานิสัยปัจจัยมันมีมาแต่าปางก่อนแต่เคยสั่งสอนอมไว้หากจะทำอย่างคนอื่นแล้วจะพูดอย่างคนอื่นก็เหมือนกันพูดเหมือนกัน่ะ แต่หากมมีเวลวคมฉลาดมีเครื่องปว่าอยู่ภายในใจนพูดอะไรมันเป็นเกตห น, น่าคิดน่าพิจารณาเหมือนกันอย่างตัวอย่างอย่างเด็กไอ้นีเ่เด็กสมบัติเนี่ยมันพูด้หน้าฟังเข้ามาในหน้ารักเาเหมือนกันไหนไปซื้อใครเขาไปบ้าน จาพิชานะ่ะทันบอกว่าเอาไข่ซื้อไข่หน่อยอย่าเอาไข่หมาให้ให้เลยเด็กเอาไข่คนให้เลยขนาดจาวิชายังไม่รู้ความหมายของมันเดตตา ม, มาถา ม, ถามถึงบ้านนี่นหมายความว่าไงมันบอกว่าเอาก็ซื้อมาแล้วก็ ไข่เล้ามันใช้ไม่ได้เขาต้องทิ้งให้หมากินอันนั้นนะไข่หมาเนาะมันตามอธิบายฝังที่เข้าใจนี่เป็นตัวอย่างเด็กๆทําไมมันจะพูดไดถึงข น, นาดมันยังมีเล่ลงคมไหนนี่เรียกว่าบุญวาสนาของเขาส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเคยได้สั้งสมันมีเรียกว่มีแววอยู่ภายในยใจของมัน แต่ถึงขนาดนั้นเนะี่ยความโง่มันก็ยังมีอยู่ไม่ใช่มันจะจะละทั้งหมดที่ว่าความฉลาดเกิดจากความโง่เนี่ยไม่ใช่มันฉลาดมันจะบนต้นบนน้อมันต้องมีโง่อยู่ในนั้นเหมือนกันแต่ถึงจะโง่ไงมันก็ยังมีแววอยู่ภายในมันเป็นเครื่องปรลาดปดอยู่ คนเรามันจะฉลาดไม่ใช่เบื้องต้นทุกคนในนี้เกิดขึ้นมาถึงไม่จะสร้างสมุลมรดมีไว้มากมายทัาเท่าไหร่ก็ตามเช่นตัวอย่างผู้ที่ได้อบหลมบ่มอินซีไว้แต่พบก่อนชาติก่อนเป็นขนาดถึงพระอาเดียเจ้าอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอาเรียบุคคลเช่นสโสดาบานบุคคลที่เป็นตน เป็นอาเดียบุคคลขั้นต้นขั้นที่สองเช่นอนาคาคาหรือสกีทาคาเวลาตายไปแล้วนั้นกลับมาเกิดอีกก็ไม่ใช่มรรคผลนิพพานที่เคยอบรมมาแล้วนั้นจะต่อเนื่องไปทีเดียวก็หาไม่ก็จะเป็นตัปุผูทชนอุปุชนอีกเหมือนกันคือเป็นผู้ทุชนค้นหลงเหมือนกันเบืองต้น ต่อมาพอได้อบลมในเนียวเก่าซึ่งเคยได้อบลมมาแล้วได้ความรู้เข้าใจได้เร็วดำเนินติดต่อกันไปได้ง่ายสบายตัวอย่างชักนิฐานไว้ในเรื่องธรรมบท มีบุรุษคนหนึ่งเกิดในตระกูลคนมีคนรวยคนเด็กหน่มคนหนึ่งเพราะเกิดขึ้นมาเท่านั้นแหละผู้หญิงจะแตะต้องไม่ได้ถึงแม้จะทานนมกับแม่ก็ต้องออกผ่ากุมไว้ถูกผู้หญิงไม่ได้เลยล้องหายล้องหงถ้าอะไร พระนิสัยเคยได้สร้างบา ร, รมีคือเจริญฌานสมาธิธรรมบัติจนได้ไปเกิดในพรหมโลกพวกพรหมนั้นไม่มีคู่พ้องผัวเมียเพศผู้หญิงไม่มีทุกแม่จะเป็นผู้หญิงก็ต่างจะเกิดพรหมโลกแล้วมีความปัวพันกับเรื่องเยื่อใยในเรื่องความรักความใกล้เด็กหนุ่มคนนั่งกังวลกัน ไปเกิดในพรอมโมโลกจเจริญฌานในมนสเตโลกนี้พอดับจากขันเลยไปเกิดในพรอมโมลกแต่มันก็เป็นของเสื่อมได้เหมือนกันฉานอยู่นานๆมาหมดอายุในพรอโมโลกมันเกิดมเป็นมนุษย์อีกเจงว่าแต่ต้องหญิงไม่ได้ร้องไห้ร้องหง แล้วกระั้งเติบโตขึ้นมาพ่อแม่จะอยากจะให้แต่งงานแต่เขาก็ไม่ยอมแต่งเขาเบื่อเขาเกลียดชังผู้หญิงถ้าไม่ยอมแต่งงานเลยานานนะัเข้าพ่อแม่ลบเล่าเกินกระเร้งพูดโดยที่ไม่ตั้งใจอยากจะให้มันพ้นจากความอ่อนหวานของพ่ อ, ข อ, ข, อ, ข, อของแม่ แกลงพูดคือว่าเอาทองคำมาหล่อเป็นรูปผู้หญิงสวยสดงดงามผิวพรรณสวยรูปร่างก็สวยบอกว่าถ้าฉันเห็นผู้หญิงอย่างนี้ฉันจะแต่งงานด้วยพ่อแม่คนมีคนรวยดีเอาปีใจใหญ่ตรงถา น, นจึงให้ค้นหามารูปคนนั้น่ะไปตั้งมาเดินที่ต่งตาง ในเมือ ง, งต่างๆคนไปชุมต้องไหนมากๆเขาไปตั้งอยูตรงนั้นแล้วเขาก็คอยไปดักดูอยู่ใกล้ๆนั่นคนกลายไปกลายมาในแถวนั้นถามว่าคนรูปร่างเจนนี้มีไหมผู้หญิงเจนนี้มีไหมเขาบอกว่าไม่มีในเมืองนี้ไม่มีาหาไปตั้งเมืองอื่นต่อไปที่ชุมช น, นไปอยู่เมืองหนึ่ง คนกําลังไอ้ฆ่าน้ำี่เขาลงไปอาบน้ำนี้จะเป็นเรื่องดูร้อนนี่กับบางคนไปชุมกันมาแค่ไปแจ้งไว้ตรงนั้นมีสาวใช้คนหนึ่งมาไมา่เห็นกันไปรีบาดเลยไอ้กาลคินีคนชั่วเอาข้อมือตีทั้งแรงตบหลังทั้งแรงไปตรงมันไม่เห็นยอดผลเสียแล้วนันเป็น เนื้อทําคำรู้สึกมันแข็งเจ็บมือคนที่หามรูปมันตั้นไปตั้งไว้นั่นเ้าเห็นก็สำคัญไอ้คนคงมีเมืองอันนี้คนลูกร่างเช่นนี้เปเรียกหนมาถามว่าคนลูกร่างเช่นนี้มีไหมในเหมืองนี้นอูมีลูกสาวของนายข้าไปเจ้านะมีคนหนึ่งแต่ ว, ว่ากบบแกจ บ, บกแล้วแกก็บอกปริพากย์เลยว่าคนชั่วผู้หญิงชั่วอะไรทํานองนั้น ถามน่าพี่ตะกี้นี่เราเนี่ยทำไมจึงลงดื้อด้านลงมายืนอยู่ตรงนี้เรียกน้ามาถามได้กวกาว่าลูกของนายเขามีคนผู้หญิงสาวจนีนนี้นี่ดีใจก็เลยเข้าไปติดต่อขอท้าถามเล่าเรื่องเหตุการณ์ให้ฟังนายของข้าไปเจ้านั้นมีลูกชายคนไม่ยอมแต่งงาน เขาบอกว่าถ้าหากว่ามีผู้หญิงรูปร่างลักษณะจะบ น, นี้ผิวพนอย่างนี้แล้วเขาจะยอมแต่งงานด้วยถ้าไปเจ้าจญิงไดเอารูปนี้มาเล่าเหการังทุกอย่างในผลที่สุดวิดาบรรดาเคยยอมตกลงจะแต่งงานอันนี้ดีใจก็เลยกลับไปไปบอกอาทิตถอาทิตธิบุรุษเรียกว่าอาทิตถิยาบุรุษ คือผู้ชายคนนั้นคือไม่ยินดีกับผู้หญิงนั่นเองในชื่อนะไปนั่นได้ยินข่าวอ่ะมีผู้หญิงรูปร่างนั้นมีจริงขึ้นมาก็เกิดความรักใคร่พอใจว่าจะได้เห็นผู้หญิงเ่นนะเกิดความรักใคร่พอใจแล้วตัวจะได้ชมเชยผู้หญิงเ็นนั้นเอาเป็นผู้คองแล้วเอาเป็นแฟนเขาตนดิยวดีใจ เรื้องต้นที่ว่าเกลียดเบื่อผู้หญิงก็เลยหายไปพอดี้เขาก็แต่งเครื่องบรรณาการมาจะไปรับผู้หญิงไปไปแต่แตงงานเรียกว่าอาวะาหะพิธีแต่งงานสมัยก้างกุฎกาเรามีสองอย่างในเมืองแขกในวันนี้ก็ยังมีอยู่วิวาหะนั่นคือผู้ชายไปแต่งงานที่บ้านผู้หญิงอาวาหาะหะนั้นผู้หญิงมาแต่งงานในบ้านผู้ชายนี่เขาจะมาแต่งบ้านผู้ชายเรียกว่าอาะหะ แต่ผู้หญิงคนนั่งเขาเคยได้รับความสุขความสบายไม่เคยถูกแตะถูกผลถูกต้องอากาศที่มันอยากหายอยู่ในบทปราศาสที่สุขสบายเพราะแห่มากลางทางก็เลยมาเป็นลมตากมันกายกลางทางเขากลับมาว่ารายงานบอกบุรคนนั้นะบอกชายหนุ่มคนนั้นเนืเสียอกเสียใจเป็นไปนั่นอยู่กิน เนผลที่สุดจริงพุท ธ, ท ธ, ท ธ, ทธเจ้าของเราเห็นอุปนิสัยวาสนาเอาไปเทศให้ฟัง เ, เรื่องอนนี้ังทุกของไม่เที่ยงมีสภาพแปรปรวนไปครับสติได้ปัญญาจึงในสาเร็ จ, รจมรรคผลต่อไปเรียกว่ามรรคผลเก่านั้นมันเสื่อมไปแล้วพุทธเจ้าท่าน พระองค์มาเทศนาในแนวเก่าซึ่งเขาเคยปฏิบัติมาคือเคยพิจารณาในแงทุกขังนาคามาประสบความจริงเขาก็เลยดำเนินตามแบบเก่าได้มักกดตามเดิมขึ้นมาอันนี้พูดตัวอย่างโดยหมายกลมาให้เข้าใจถึงเรื่องว่าคนเรานั่นน่ะมันมีเสื่อมแล้วสร้างบารมีในชาตินี้ก็ตาม ถ้าหากเราทำยนีไงมาเต็มที่วัฒนธรรของเราเนี่มาเต็มที่หากว่าตายได้ก่าไปเกิดในชาติไปเกิดเสวยควาสุขอยู่ในชาติในภูมิในกต็ตดับเมื่อหมดอายุ ข, ขัยในชาตินั้นภูมินั้นแล้วไม่ถึงที่สุดของกองทุกได้เป็นโซดาสกิทาคาณาคาเนี่ยยังไม่ได้ถึงพระราหัต ต่ต้องกลับมาเวียนว่าแต่เกิด อ, อกเป็นมนุษย์นี่อีกเรียออกว่าเป็นคนโง่อีกซะก่อนยังมนันน่ฉลาดหากว่ามีผู้ใดมาแนะนำตักเตือนถึงแม้จะไม่ใช่พุทธเจ้ากระตามสแสดงในแนวนั้นแหละที่เคยปฏิบัติอารมทุกคนผลมานั้นวก็จะได้ความเข้าใจเร็วขึ้น อุบายปัญญาที่เคยเพ่งพิจารณาก็เคยเดำเนินมาแต่ก่อนแต่เก่า น, นะก็จะปรากฏชักเร็วขึ้นมาอีกไะ้ปรวงผลง่ายอันที่ท่านเราเรียกว่าสร้างสมโลมนีสัยบุญบา ร, รมีไว้คืออย่างนี้เองไม่ได้หายสูญไปไหนตายแล้วกลับมาเกิอดอีกบุญบา ร, รมีนั่นก็ค่อยมาตักเตือนให้เรายินดีพอใจในเรื่องความดีที่เคยสร้างสมโร ม, มานั่นจนกระทั่ง ดำเนินเขารีดเขาร้อยตามเดิมเรียกว่าต่อนิสัยว่านิสัยปัญญาประมีต่อที่พูดในที่นี้หมายความให้เข้าใจถึงเรื่องว่านิสัยนั้นน่ะไม่เสื่อมสูญไปไหนถึงเสื่อมสูญก็กลับมาได้เร็วหรืออีกหนะ่าหนึ่งที่พูดถึงเรื่องเบื้องต้นที่ว่าคนเราต้องโง่เกิดมาต้องโง่ที่ก่อนไม่ใช่ฉลาดทีเดียว ถึงจะสร้างว่ามีแต่ค่ามต่อเป็นความฉลาดเรื่องกัรสักเท่าไรก็ตามเถอะมันเกิดอีหลังตัวโง่วยก่อนให้เข้าใจตอนนั้นคราวนี้จะพูดถึงเรื่องความฉลาดเกิดจากความโง่ต่อไปควฉลาดมันแฝงอยู่กับความโง่ถ้าพูดกลรงๆเลยทีเดียวก็ เรียกว่าถ้าไม่หลงเช่ ก, ก่อนเราก็จะไม่รู้จักความหลงถ้าไม่โง่เราก็ไม่จักความโง่เห็นโทษของความโง่เมื่อไหรเราก็จะได้คนไข้สั่งความฉลาดเช่นเราไม่รู้จักหนังสืออ่านหนังสือไม่ได้แล้วก็จะรีบเร่งเรียนหนังสือทำไม่ได้ความรู้ฉล า, าดอ่านหนังสือได้อย่างนี้ต่อไปนี่วงง่าโง่ไอฉลาดเกิดจากโง่ ถ้าหากว่าดีขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วเกิดขึ้นมาเป็นคนลุ่มหลงโมมอลประมาทเห็นมางคนเคยลักทรัพยงขโมยหรื อ, มมอขาดทุชีวิตเดือด ร, ร, ร้านต่างๆเป็นคนมัวมมอลในเรื่องการเล่นการพ น, านันดื่มสตรายาเมาเป็นเจ้าชู้นี่เป็นตน้นเราเห็นว่าเราเป็นคนโง่เราได้ ม, มัวมอลเหมือนนักหนาแล้ว ไม่มีดีอะไรลุย้ยมีแต่ตามกลมเหลวไหลเลิ่เทอกเราไม่เห็นโทษในงานนี้นเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นการเห็นโทษรี่ปัญญาเกิดที่ไหนนะเกิดจากความโง่คือเราเห็นโทษของค ว, ควโง่แล้วเราจึงพยายามละความโง่คือเราจะไม่ทำละความชั่วที่เลยคเคยเลื่เทอกเลียวไหลเหมืนนั้นไม่ทำละ อันนี้เรียกว่าความฉลาดเกิดขึ้นจากความโง่ถึงว่าความฉลาดในเบื้องต้นไม่มีคนเราไม่มีมาต้องมาโง่ด้วยก่อนเห็นความโง่เป็นของไม่ดีนะฉลาดเกิดขึ้นมาแล้วถ้าหาว่าคนไหดเห็นความโง่ของตนเป็นของไม่ดีถ้ายามละความโง่นะเจ้ ตั้งยินในความช่ลาดควาผิดคุณงามความดีต่อไปเรื่อยจนตลอดอดฝังเรียกบอกเห็นบารมีคือสร้างคุณงามความดีทิศเนื่องกันไปจนกระทั่งวันตายบางคนอาจสามารถที่จะทําดีจนกระทั่งสําเร็จมาผลิพานได้อย่างเช่นพระอังคุริมาณในเรื่องนีสทางท่านเป็นมหาโจรจะเขาชื่ออังคุริมาณฆ่าคนนั้งพันกว่าแต่เห็นโทษทนานรายเด็ดขาดจนกระทั่งสําเร็จเป็นพระ ให้ไม่ท้อถอยเห็นโทษจะต่อลเล่าจริงจริงจังอันนี้ยังว่าความฉลาดเกิดขึ้นจากความโง่แต่คนเราโดยส่วนมากยังเสียดายคาโง่ฉลาดรู้แจ็คอยู่ฉลาดเกิดขึ้นมาเหมือนกันรู้แจ๊กว่าเรางโง่เราทําชั่วพรู้จริตรู้ผิดดังอธิบายมาแล้วแต่ยังเสียดายอยู่ งั้นกลับคืนไปทำคนโง่ตามเดิมอยู่อง น, นีเยอะอันนี้จริงว่ามานเป็นเครื่องขูกมัดจิตใจกายใจของคนเราเรียกว่ามานมานมาขูกคาว่ามานในทนี่นี้น่อย่าไปพูดทั้งเรื่องมานเป็นตนเป็นตัวเลยคือความช่วงเราเองเป็นมาน คอผูกมัดจิตแจ้งเราให้กลับคืนไปหาคนชั่วอีกดังที่มีทมๆไปอยู่ทุกวั น, นเนี่ยบางคนเห็นการดื่มสุรายาเมาเป็นของไม่ดีพอเข้ารังสายก็ตั้งใจทิฐานเลยทีเดียวแต่เราตั้งสาจะไม่ดื่มละเว้นได้จริงจริงก็ไม่มีอะไรไเกิดขึ้นมา พอออกก้อนขาเท่นั้นทิงเลยกลับไปดื่มตามเดิมเป็นนักดื่มเหมือนเก่าอันนั้นเรียกว่ามานมันกลับมัดเอาอีกการรักาษาเนละ่พ้นจากเงื้อมือของมานแต่ออกก้อนขาแล้วกลับไปให้มานผูกมาอีกไม่ใช่เป็นตัวต น, ม, น, นมาจากอื่นไกลมานคิดใจของเราเองแต่งเราให้กลับ กวามชั่วมักผูกมัดมตัวขงเราลงไปจมอยู่กับความชั่วอีกให้เข้าใจอย่างนี้กับประมาณแล้วก็บความเจริงกับแอาจจะด้วยมานคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้เราทําความดีได้เยียกว่ามานเนี่ยเป็นตัวอย่างมันมีตัวไม่แจังไหนอันมานนั่นนะมันเรามันว่าผูกมัดมเราให้ทำความชั่วตามเดิมมันมีตัวไม่แจ้งไหน ไม่เห็นมีหรอกใช้ผุกตัวเราเองให้ไปรับความชั่วทางโงชั่วอีกต่อไปอันนี้ก็เรียกว่าความดีเกิดจากความชั่วหรือว่าปัญญาเกิดจากความโง่หรืออีกย่าหนึ่งจะเรียกว่าปัญญาอยู่เหนือความโง่ความฉลาดอยู่เหนือความโง่คือมีความฉลาด พลิกไหวในตัวแล้วก็อยู่เหนือคนงโง่ได้เมื่อฉลาดอยู่เหนือคนงโง่แล้วทีหลังไม่กลับเป็นคนโง่อยู่ใต้คนคนโง่อยู่ใต้คนฉลาดที่อธิบายฟังมาตะกี้นี้ที่เรียกว่ามาไมากลับผูกมัดเอาอีกทึบคนโง่อยู่อยู่ใต้คนฉลาด อนนี้ว่าถึงเรื่องความในปัญญาความดีปัญญาความฉลาดอยู่เหนือควโง่ควโง่อยู่ใต้ความฉลาดมันกลับไปกลับขวานั่นเข้าใจง่ายๆแค่นี้มาพูดถึงเรื่องปัญญาเกิดจากความฉลาดแลว้วมาเพ่งพิจารณาถึงเรื่อง ใจของเรามาดูใจของเราเห็นใจของเรามันลุ่มหลงมัวเมาเพิดเพลินสนุกสนานเฮาในอารมณ์ต่างๆมันทิ้งทำจิตของเราให้เดือดร้อนวุ่นวายกระตับกระส่ายไม่อยู่เป็นสุขผู้ที่มาตั้งใจพิจารณากรรมฐานต้องรวมจิตใจของเราได้ ทั้งรวมไม่ได้กับเพราะใจมันวุ่นเพราใจมันยุบเพราใจมันรุ่มหลงโมเมาเพราใจมันสงสัยรวมใจทั้งรวมใจไม่ได้แล้วมามองดูเห็นชัดด้วยตนเองทีเดียวอ๋อใจนี่มันส่ายสงสัยมันไม่สงบมันไม่นิ่งต้องคุมก็อยู่งันไปจนต่อสู้กันอยู่งั้นไปฆ่ากันก็ว่า สงครามภายในต่อสู้กันไปต่อสู้กันมาถ้าหาว่าปัญญาเกิดขึ้นได้คานาดนี้เห็นชัดแล้วขนาดนี้คืนนอไม่ยอมถ้ามันส่งไม่ยอมให้มันวุน่นวายไม่ยอมให้มันเพิ่มเกินรุ่มหลงโม่มเมาไปตามอารมณ์นล้วเพเห็นโทษชัดแล้ว เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจิตมันก็สงบเห็นโทษชัดเจนแล้วมันก็สงบมันปล่อยวางโดยมันรูดด้ตัวอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นจากงโง่โง่แต่บางคนก็ตรงนั้นามอีกอันอีกอย่างว่าแต่ไม่เริ่มต้นอีกม า, มาเบริ่มต้นอีกอีกยังเสียดาย จะสงบเยือกเย็นอยู่ที่เฉยได้อยู่ไม่ได้มันลำขาดทางเดิมคือสายเดินสายเก่าที่มันเคยเดิน ม, มาถ้าได้คิดได้นึกถ้าได้วุ่นดีวุ่นวี่วุ่นไว้ตรงสายน้นน้นเนี่ยนี่อะไระเพลินเมาไปเข้าใจเป็นของดีเข้าใจเป็นของสุข ที่ไปส ง, งบนิ่งเฉยเฉยไม่สศว่ามีประโยชน์อะไรถือว่าเป็นคนงโ ง, ง่เงาเต่าสืงอยู่เชียวอยู่ไม่ได้ก็จะต้องส่งไปตามอารมณ์เดิมอีกอันนี้เรียกว่ามานมันดึงไปอีกแล้วหรืออีกนะันหนึ่งจะเรียกว่าความโง่อยู่เหนือกองฉลาดไปอีกแล้ว นี่มันมันกลับกันดังอธิบายมาในเบื้องตน้นเรื่องเหล่านี้เป็นของหน้าเห็นใจถ้าอะไรคนเราเกิดขึ้นมามันต้องเป็นคนโง่ดังอธิบายมาในทิศเริ่ต้นนั้นเห็นคนโง่เป็นของดีถ้าคนเราไม่ยอมเป็นคนไม่ยอมเป็นคนคนสักคนเดียวใครมีอะไรก็เอาเข้าใจว่านั้นเป็นของดีหมด คนเราเกิดมาทาั้งๆที่ตนโง่อยู่นั่นแหละแต่เขาจะเป็นคนฉลาดจึงไม่สามารถที่จะกลับเป็นคนฉลาดได้ขึ้นมาสักทีตลอดวันตายก็ฉลาดไม่ได้ถ้าเห็นว่าตนเป็นคนโง่พยายามจะละความโง่ก็กลับไปกลับกลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าจิตแจ้งเราไม่เห็นตนเห็นตัวไม่เห็นจิตแจ้งเราเช่นเลยต้องสายวุ่นวายตลอดการเวลา เนือเห็นความทมงไส้เพลิดเพลินมัวเมาตามอารมณ์ลุกลงก็ตามอารมณ์ต่างๆนั้นเป็นของเดียู่ตราบใดแล้วเนาั้นใจะพวนาถึงเท่าทำความสงบไม่ได้หนึ่งเด็ดขาดจึงไม่มีเวลาที่จะทำความฉลาดได้ด้วยเหตุนี้จึงมาเป็นการยากหากว่าบาง ด้วยความสงบก็มาเป็นบางข้างบางขาวจึงเป็นการอยากเรียวสาวได้จางพระองค์ตรามเทศนาไว้นัดทีส้นตีประดังทุกข์ขันความสุขเสมอและความสงบไม่มีก็ไม่รู้เรื่องเห็นความสงบจนะเป็นฝานเป็นขบงโง่ไปเสียและอยู่ไม่ได้ด้วยยัง ม, มีเครื่องอยู่พ่อไปเห็นใหม่ๆ ของนั้นยังไม่เคยประสบพบเหตุเคอเห็นได้ความยุ่งขมุน ว, วายเป็นของสบายความเพลิดเพลินหมองมอเป็นของดีความสงบไม่เห็นไม่เคยเห็นไปเห็นเขาแล้วก็เลยไม่รู้เรื่องอาเป็นของดีเรื่องอันนี้นจึงเป็นที่น่าเห็นใจที่สุดแต่สำหรับผู้ที่รู้จักของดีแลว้วฝ่าหนิไม่ต้องสงสัยที่ว่าความ จุ่มเสมอได้ความสงบมนมีไม่ต้องสงสัยจะวิ่งเ ข, าาข้าไปหาคอามสงบอยู่ตลอดกาลเวลาเพื่อสบเหตุการณ์แล้วไปเห็นเรื่องที่ึ้กุ่นวายอะไรต่างๆของภายนอกแล้วจิตมันจะต้องย้อนกลับกลับมาห า, า, หหาความสงบหาความสุขอยู่ตลอดเวลาหาที่พึ่งอยตลอดเวลาจริงได้เข้มาเปียบไม่พระพานเองเขาฟัง ว่าดูที่สัตว์ที่อยู่ในหลานวัดของเราดูแย่เน่ยมันกลัวลัวตาสุนั ก, กลัวคนพ้องเห็นคนไปแล้วมันเห็นสหน้ามันก็วิ่งเข้ารูเลยสบายที่พึ่งห่วง ม, มีไปที่อื่นมันก็ไม่ปลอดภัยมันก็เข้าไปในรูพวกมันเห็นอะไรมันจึงวิ่งเข้าไปในรูทั้งนั้น แม้แต่ฟ้าฝนตกลงมามันก็วิ่งเขาเ้าไปรูไปอยู่อาศตยรูเพราะที่นั่นอะไรแล้วควมสุขควสงบเรื่องปลอดภัยผู้ที่เห็นใจของตนสงบเป็นของยินใจของตนสงบเป็นของสุขเป็นความสุขแม้จะประสบเหตุการณ์อะไรนัดกระช่างมันเถอะจะต้องเข้าไปหาความสงบอยู่ตลอดเวลา เห็นความยุ่งวุ่นวายทั้งหลายนเป็นการเดือดร้อนเป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าพูดแต่เฉพาะเรื่องความสงบเฉยปัญญาขั้นนี้เรียกว่าเห็นความสุขสงบเห็นของดีเลศิศเ้าเรียกว่าปัญญาเกิดจากความโง่ได้เหมือนกันอันนี้ถ้าพูดถึงเรื่อง ปัญญาขั้นละเอียดลงไปอีกความสุขสงบก็ไม่ใช่ว่ามันจะพ้นจากทุกหรือพ้นจากความโงท่ทีเดียวก็หาไม่มันจะต้องโง่อย่างละเอียดเข้าไปอีกเหมือนกันอันความสงบตอนั้นอะ่ะมันยังไม่พ้นจากความโง่เหมือนกัน ถ้าจะพู ด, ดเรื่อาเปลี่ยนมันก็แย่ที่ว่าแล้วเนี่ยมันนิ่งเข้าไปในรูมไปอาศัยรู ม, มันก็เข้าใจาว่าปลอดภัยแหละแต่หาได้ปลอดภัยแท้จริงไหมถ้าเขาตามไปขุดมันก็มีทางไปเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ลากคอมมันออกมาถ้าขุดตามเขาไปผู้ที่เข้าไปถึงความสงบประเชนนั้นเหมือนกัน ความสงบคือไม่มีปัญญาถ้าไปถึงที่นะั้นแล้วแต่แรงรักความสุขความสงบก็ดีใจพอความสุขความสงบแบบนะั้นเย็นใจว่าตนสบายแล้วก็เลยไม่คิดนึกพิจารณาอะไรมากมายเลยไปติดสุขสงบใช่ไหมความไปติดสุขสงบมันกลับกลายเป็นคนโง่ขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าท่านยังสอนให้เพ่งพิจรารณาปัญญา คือค้นคว้าหาเหตุห้าผลทุกสิ่งทุกประการเบนต้นทำกางที่สุดหรือตลอดทังความสุขที่มันมีอยู่ในที่นั้นเป็นของสุขแท้จริงแล้วเอย่างคนโงท่ทั้งหลายนันมีหลักอันละเอียดที่ท่านแสดงไว้น่ะหลักของคนโง่คือกลมยืดคลมถือ ถ้าไปยืดไปถือจริงไหนเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาแล้วจริงนั่นน่เรียกว่ายังไม่พ้นจากความโง่ผู้ที่เข้าไปอยู่ในความสุขนั้นก็หาว่าสุขเป็นของเราเพราะสงบนั้นก็ว่าสุสงบเป็นของเราก็เรียกว่ายังคนไม่พ้นจากความโง่อยู่นั่นเองท้าเดีให้เพ่งพิจารณาอีกกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาความสุขสงบนี้นก็หาได้เที่ยงวันถาวนไม่ แต่ต้องแปลสภาพหรืแปลส่วนเหมือนกันแต่ไปถือร้านเราเป็นของตัวต้งตัวไม่ได้เป็นของจริงของจังไม่ได้ถือเป็นแค่แต่ว่าเป็นที่พักอาศัยสวดสร้างัวดภาวนาเล้ยวมาเปรียบกันเข้าใจกันอี ก, กว่าคนเรานอนแล้วเข้าใจว่าผมสุขว่าได้รับความสุขสุขจริงขันนี้คือพักผ่อนการงานไม่ต้องทําสุข จเต็นนอนนั่นน่ะอันตรายรอบด้านเหมือนกันนี่หากเวลานอนนี่ น, นั่นอ่ะมีคนมาขโมยของแล้ไม่รู้สึกมันกระชิบหายเพราะเวลานอนไว้ไมก่กระชิปหายเพราะเวลาหลับอ้าว่าเขาโจมขโมยเขาจะมาฆ่าเขาก็เอาเวลาเราหลับนั่นแหละตายในขนาะนั้นตาย ง, ง่ายที่สุดเราจะเรียวกว่าพ้นจากภัยอันตรายไม่ได้ เหนั้นการหลับการนอนนั้นไม่ใช่เป็นของดีขั้นตนน้นเราเข้จะเป็นของดีถูกคือพักผ่อนกางงานไม่ต้องอะไรมากมายเวลาเราพักผ่อนแต่อันตรายตรงนั้นไล่แรงกว่าที่เราไม่นอนอีกครับชั้นใดญผู้ที่หัดกรรมฐานภาวนาทำกรรมาธิถ้าไปเยินดีกับ ค, ความสงบก็จพ้นจากทุกข์ดีกว่านะทุกข์ันเพราะฉะนั้นพระทีเจ้าทั้งสอนให้พิจารณา ถึงเรื่องข่มิึดขมถือของอุปทานถือมันเข้าใจตามในจริงแล้วอย่าไปถือ ว, ว, ว่าเป็นของเราของเขาย่าไปถือว่าเป็นตนเด่นตัวถือเป็นของหญิงมึงจังเห็นไราเด่นในเป็นเครื่องพักผ่อนมึนกรหลับนอนเป็นข้างไปขาวเท่นั้นนล้วก็แล้วกันทิงจะคนจากผวมโง่เนี่ยทนที่อธิบายถึงเรื่องผวมโง่ฉลาดเกิดจากตัวโง่ได้มาจากควมโง่ อันนี้นกรมฉล า, าดนั่นน่ะไอ้กรมโง่นั่นน่ะถ้าหากว่ายังไม่หมดจะตราบใ่มันอาจจะกลับคืนมาเหนือกรมฉล า, าดอีกก็ได้หรือมันอาจจะเสื่อมเนื่จากคูมของกรมที่กรมฉล า, าดนั้นก็ได้การอธิบายมานั้นฉะนั้นน่ะขอให้จับต้นตอแล้วบดบนต้นไว้ให้ดีเคลียบาลมาในวันวนี้ ว่าถึงเรื่องความชราเกิดจากความโง่บนต้นอธิบายยกขึ้นมาเป็นข้อความสำหรับที่จะจุดจามไปไปคิดพิจนารณ า, าต่อไปแต่มีเนื้อความมาที่ดังอธิบายบรรยายมาแล้วมากมายนะเพราะฉะนั้นทุกๆคนจงผากันอาศัยประม า, าทธรรมคือความไม่ประมาทแล้วนําเอาธรรมะคำสอนของพระเจ้าที่อธิบายมา น, นี่แหละไปพิจารณาต่อไป ก็จะเป็นทางให้เกิดปัญญาฉราเจียรแรงได้ความสุขความเจริญตาต้องควรแก่ภูมิปัญญาต้งตนตนโดยไหนอธิบายมาด้วยเกิดการ